สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในวันนี้เราอยู่ในหัวข้อใหญ่ชีวิตเปรียซูตอนที่สิบสี่นะครับโดยหัวข้อย่อยก็คือจอห์นเดอะแบทเทสครับครั้งที่สี่ครับพระเจ้าของพระเจ้านะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สิบเก้านะครับผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับตั้งแต่ข้อที่สิบเก้าจนถึงข้อที่ยี่สิบเจ็ดครับนี่เป็นคําพยานของยอห์นคือเมื่อพวกยิวส่งพวกปูโรหิต และพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือผู้ใดท่านยยอมรับท่านไม่ได้ปฏิเสธคือได้ยอมรับว่าขพเจ้ามิใช่พระคริสต์เขาทั้งหลายจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเล่าท่านเป็นเอลียาหรือท่านตอบว่าขพเจ้าไม่ใช่เอลียาท่านเป็นผู้เผยพระชนะนั้นหรือแต่ท่านตอบว่ามิได้คนเหล่านั้นจึงถามท่านว่าท่านเป็นใคร ขอให้เราได้รับคำตอบเพื่อจะได้ไปบอกผู้ที่ใช้เรามาท่านกล่าวว่าท่านเป็นใครพี่น้องครับ23นะครับโปรดฟังพระนะของพระเจ้านะครับยอนเดบแบบิสตอบอย่างนี้นะครับเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงกระทำมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาผู้เผยพรนะญาได้กล่าวไว้ไฟพวกปริศีส่งไปนั้น เขาเหล่านั้นก็ได้ถามท่านว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอลลียหรือผู้เผยพระกิจานั้นแล้วทำไมท่านจึงทำพิธีบัพติศมายอมได้ตอบเขาเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้นท่านไม่รู้จักพระองค์นั่นแหละมาภายหลังข้าพเจ้าแม้สายรัดฉลองประบาดของพระองค์ข้าพเจ้าก็ไม่บังควรจะแก้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีฟากแม่น้ำจอแดนข้างตะวันออกอันเป็นที่ซึ่งยอนกำลังให้บัพติศมาอยู่นั้นพี่น้องครับพระวจนาพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงคนนะครับที่มาฟังคำเทศนาของยอนเมื่อครั้งที่แล้วผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าคนที่มาฟังเทศนาของยอนนั้นบางคนก็มาด้วยความรู้สึกอยากจับผิดมา บางคนก็มาด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นบางคนก็เดินทางเข้าไปในสินธุกันดานครับเพื่อที่เขาจะได้ยินได้ฟังผู้เผยพระชนะก็เหล่าพระชนะองคพระเจ้าในที่นี้เรารู้นะครับว่าบรรดาผู้นาศาสนาในเยรูซาเล็มนั้นเขาส่งพวกปุโรหิตและเลวีมาฟังคาเทศนาถามว่าทำไมส่งพวกปุโรหิตและเลวีครับเพราะคนเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญท่ำชองในพระบัญญัติ มาฟังคำเทศนาของยอนและแถมยังซักถามยอนว่าท่านเป็นผู้ใดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่บ้านเบธานีฝาดตอนออกอันเป็นที่ซึ่งยอนกำลังให้บัพติศมาอยู่เขาต้องการทราบว่าว่ายอนเดอะบัติส์นั่นเป็นใครคนเหล่านี้นะครับก็คือพวกปูโรหิและเลวีเป็นชาวยูที่มีอิทธิพลมากกับและไปรายงานคำตอบของยอนให้ทางเยโอเสริมทราบ คำตอบของยอห์นในข้อที่ยี่สิบนี้คือข้าพเจ้าม่ใช่พระคริสต์หมายความว่าข้าพเจ้านั้นไม่ใช่พระเมสสิยาเห็นได้ชัดนะครับว่ามีบางคนคิดว่ายอห์นอาจจะเป็นพระเมสสิยาได้เพราะว่าความหวังของพวกเขานะครับคือรอคอยพระเมสสิยามาเพื่อที่จะปลดแอกจากความเป็นเมืองขึ้นเป็นประเทศรรคการเป็นฉเฉลย ข, ของพวกโรมนะครับฉะนั้นตั้งแต่เริ่มแรกนะครับยอห์นก็บอกกับพวกเขาว่าเขาไม่ใช่ พระเมสิยาไม่ใช่พระคริตถ้าเช่นนั้นเขาก็ถามต่อไปว่ายอนนั้นเป็นเอริยาหรือเปล่าพวกเขาแน่ใจว่ายอนนั้นเป็นผู้เผยพรชนะครับบางทีคงจะเป็นเพราะดูจากเครื่องแต่งกายของยอนนะครับและอาหารการกินของยอนเราคงจําได้นะครับเพราะยอนนั้นใส่เสื้อผ้าซึ่งเป็นขนกูดครับและก็กินน้ําพึ่งป่าและตักกระแตเป็นอาหารเพราะฉะนั้น คนคนนี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแน่นอนคำพยากรณ์ของอิสยามานะครับหลังจากที่พวกเขาได้ถามยอนอิสยาได้กล่าวถึงยอนอยิง น, นะครับว่าเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงกระทํามันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปพี่น้องครับท่านทราบไหมครับว่าพวกปริสีนั้นเป็นผู้นาสาคัญของคนยิว มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณหกพันคนครับเนี่ยซึ่งคนเหล่านี้หกพันคนเนี่ยตีความบทบัญญัติยิวอย่างเค้่งครัดในข้อที่ยี่สิบห้านะครับพวกเขาซักไซไลเลียงว่าในเมื่อยอนไม่ใช่เป็นพระคริสต์ไม่ใช่เป็นเอลียาเพราะว่าท่านปฏิเสธทั้งทั้งสองตำแหน่งนะครับท่านมีสิทธิ์อะไรที่จะให้บัพติศมาในข้อยี่7หกยิบเจ็ดเราจะเห็นว่ายอนเดบับบิสต์นะครับยืนยันถึงการเสด็จมาของพระเยซู ท่านว่าอย่างนี้ครับข้าพเจ้าให้แบบมาด้วยน้ําแต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้นท่านไม่รู้จักพระองค์นั้นแหละมาภายหลังข้าพเจ้าแม้สายรักฉลองพระบาทของพระองค์ข้าพเจ้าก็ไม่ควรจีจัแก้วันรุ่งขึ้นเองครับเราพบว่าพระเยซูทรงเสด็จมาที่แม่น้ําจอแดนซึ่งยอนเดอะแบปติสต์นั้นกำลังเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จมาของพระองค์พี่น้องครับ ในพระธรรมมัดพิวก็เช่นเดียวกันครับมาทำมัดพิวก็เรื่องราวเพื่ อ, เ, อเล่าถึงเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับในขณะที่ยอนกําลังเทศนาต่อหน้าประชาชนจํานวนมากที่มาฟังคําเทศนาของท่านยอนเดบับบิสนั้นคนเหล่านั้นมาจากไหนครับมาจากเยรูซาเล็มครับมาจากทั่วลุ่มแม่น้ําจอแดนนะครับทั้งชายทั้งขวาทั้งสองฝั่งยอนกันมองดูกลุ่มชนเห็นพวกฟาริสีพวกสะดูสี นะครับพี่น้องครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าพวกสะดูสีนั้นเป็นผู้นําชาวยิวซึ่ง เ, เป็นเชื้อสายของเลวีดูแลพระวิหารนะครับเป็นผู้ปกครองด้านศาสนาของคนยิวพวกเขาต้องติดต่ออยู่กับผู้ปกครองผู้ครอบครองชาวโรมครับเพื่อรักษาความสงบสุขในหมู่ชาวยิวในด้านศาสนาไม่ให้เกิดการลุกฮือของพวกที่เคร่งศาสนาอย่างจุดกู่บางทีพวกเขาเนี่ยมาสืบดูเหตุการณ์ที่แม่น้ําจอแดงครับเพื่อให้ดูว่า แน่ใจว่ายอนไม่ได้ก่อควนหรือไม่ได้เป็นผู้นำเรื่องการกรบฏหรือยุยงประชาชนโดยใช้ศาสนาอ้างศาสนามาบางหน้าพี่น้องครับพวกเขาประหลาดใจมากนะครับที่ยอนเดบับบิสชี้หน้าเขาหลังจากที่จ้องหน้าว่าและด่าเขาครับว่าเป็นเจ้าชาติงูร้ายในข้อที่เจ็ดครับบันทึกว่ายอนเรียกพวกปริสีและพวกศรีีว่า เจ้าชาติงูร้ายใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระอาจฉรซึ่งเจ้าจะมานั้นในพระธรรมทิวนั้นใช้คําอมมาเปรียบการหนีจากพระพิโรธของพระเจ้าเหมือนกับการที่งูหนีไฟในทะเลทรายหรือหนีเคียวของผู้เกี่ยวข้าวผู้คนจากถิ่นทุรกันดารย่อมเข้าใจการเปรียบเทียบนี้ได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่างูที่หนีไฟป่าในทะเลทรายนะครับ ก็งูนันีงูนั้นหนีแบบหัวสุกหัวสุนครับนะยอนกำลังบอกให้พวกเขาพิสูจน์การกลับใจใหม่ด้วยผลที่เกิดขึ้นยอนรู้ครับว่าพวกเขาคิดว่าตนเองเป็นเชื้อสายอับราฮัมเป็นลูกของพระเจ้าโดยปริยายโดยอัตโมติออโต้เป็นได้นะครับไม่จาเป็นที่จะต้องกลับใจเสียใหม่คนที่ควรจะต้องกลับใจเสียใหม่ก็คือพวกหมาครับ ก็คือคนต่างชาตินั่นเองครับยอนไม่ใช่เป็นนักเทศที่ที่อายครับท่านเป็นผู้เผยเพระจนะเพรา ะ, ะนั้นท่านกล่าวความจริงของพจนะด้วยความเข่งคลัดและเข้มแข็งว่าอย่านึกเหมาเอาในใจว่าตัวมีอภรรมเป็นบิดาพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจจะให้บุตรเกิดขึ้นแก่อภรรษด้วยก้อนหินเหล่านี้ก็ได้ต้นไม้ทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดทิ้งเสียและโยนในกองไฟยอนใช้คําอุปมาขยายการสอนครับ เหมือนกับในพระธรรมยอนบทที่15ข้อ10ข้อ6เปียซูก็ใช้อุปมาเช่นเดียวกันครับเปียสุตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขนแนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟพี่น้องครับนี่คือคนที่เข้ามาฟังธรรมเทศนาของยอนในเช้าวันนี้นะครับพวกเราก็อาจจะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งครับ ที่ได้ยินได้ฟังคําเทศนาของยอนที่เรียกร้องให้เราทั้งหลายกลับใจใหม่ครับอย่าให้เราทั้งหลายเป็นคนหน้าซื่อใจคดอย่าให้เราทั้งหลายมีพฤติกรรมเหมือนกับเป็นงูร้ายนะครับซึ่งจะไม่เกิดผลดีกับชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเราและวอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน